บอกว่าศีลและมายังได้แก่เจตนาที่เป็นไปแล้วแก่บุคคลผู้สมทานศีล5ศีล8หรือศีลสิด้วยสามารถแห่งการกําหนดให้เป็นนิจจศีลและอุโบสถนะครับก็คือศีลหก็ให้เป็นนิจศีลนะครับศีล8หรือศีลสิก็อาจจะเป็นอุโบสถเป็นต้นเลยนะครับเจตนาที่สมทานในเจตนาเหล่านี้ก็เป็นศีลนะครับ เพราะฉะนั้นเน้นไปที่เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมศีลเป็นต้นนะครับที่สมาทานทีนี้ในยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นศีลบ้างก็ตอนสมาทานบางทีตอนสมาทานก็คิดเรื่อยเปื่อยไปที่ไหนไม่รู้ถามว่าสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากตานี่ละห้อยกันเลยนะครับไม่รู้ว่าก็ปากก็ว่าไปอย่างนั้นแหล ะ, ละก็จะเจตนาบ้างก็ตอนมาจากบ้านหน่อยๆนะครับคือเนื่องจากเจริญกุศลในยุคนี้เท่าที่สังเกตดูนะ ไม่ค่อยปรารบที่เจตนาเป็นหลักนะครับเอาพิธีการเอารูปแบบเป็นหลักซะส่วนใหญ่นะครับพอเป็นในรูปแบบอย่างนงั้นก็เจริญกุศลก็ไม่ค่อยมีผลมากไม่ค่อยมีอนิสงส์งมากอะไรเพราะรักษารูปแบบไม่ได้รักษาเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเหล่านั้นๆนะครับทีนี้พูดถึงศีล5ศีล8หรือศีลสิบแล้วนะทีนี้ก็มากล่าวถึงศีลของพระบ้างนะครับว่าผู้ที่คิดว่าเราจะบวชเพื่อบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์นะ จะบวรรักษาศีลนะหวังงันแล้วไปวิหารบวชแล้วผู้ยังมโนรถให้ถึงที่สุดระ ล, ลึกว่าเราบวชแล้วเป็นการบวช ด, ดีแล้วหนอนะครับโอ้ดีเหลือเกินได้บวชแล้วเสร็จแล้วก็บําเพ็ญปาติโมกให้บริบูรณ์ด้วยศรัทธานะครับต้องมีศรัทธานะจึงจะรักษาปาติโมกขสังวรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้นะครับพิจารณาปัจจัย4ี่มีจีวรเป็นต้นด้วยปัญญานะครับ ว่าจีวรที่ใช้สอยเนี่ยเพื่ออะไรนะครับอาหารที่บริโภคเป็นต้นเนี่ยเพื่ออะไรต้องพิจารณาโดยแยบขายทั้งหมดนะครับแล้วก็สำรวมจักสุทวานเป็นต้นในรูปเป็นต้นที่มาสู่คลองด้วยสตินะครับนะชระไม่ให้จิตยเย็นไปเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเวลามองเห็นเป็นต้นแล้วก็ชำระอาชีวะปาริสุทิศีลด้วยความเพียร น, นะครับนะชำระอาชีพ น, นะ ต้องทำอาชีพให้บริสุทธิ์ด้วยความเพียรย่อมตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเจตนานั้นชื่อว่าบุญญากริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล น, นะครับพระพิสุนเนี่ยนะเน้นไปที่พระพิสุนะครับที่บวชแล้วก็รักษาจตุปาริสุทิศีลให้บริบูรณ์ถ้าเป็นค า, ารวะก็ศีลหศีล8แล้วก็ศีล10ถ้าของพระพิสุก็ต้องจตุปาริสุทิศีล น, นะครับให้บริบูรณ์นี้เรียกว่าบุญญากริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล น, นะครับ เาก็หมั่นทบทวนนะครับว่าเออเนี่ยนะการบวชของเราเนี่ยมโนรถหรือความปรารถนาที่เราตั้งไว้เนี่ยนะเพื่อการบวชก็สําเร็จแล้วตอนนี้จะปาติโมกข์ที่ยังไม่บริบูรณ์จะบําเพ็ญให้บริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธานะครับจึงจะทําได้เพราะว่าปาติโมกข์บางอย่างต้องปฏิบัติเอานะครับจึงจะเป็นทําให้ปฏิบัติก็ไม่เป็นนะครับคําว่าปาติโมกข์เนี่ยนะครับรวมแม้กระทั่งพวกเสขียวัตรเป็นต้นเนี่ยนะครับ ท่นเสกียวัฒพวกวัดทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นนถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถจะทําให้บริบูรณ์ได้นะครับอย่างเช่นอภิสมาจาริกวัตดนะครับอภิสมาจารเนี่ยนะครับวัดชั้นสูงนะครับวัดขันทกะนะครับวัดตักขันทกะเป็นต้นเนี่ย น, นะถ้าขาดศรัทธาก็ไม่สามารถทําได้เมื่อไม่สามารถทําศีลเหล่านี้ให้บริบูรณ์ได้ก็ยากที่จะทําให้ศีลอย่างอื่นบริบูรณ์ได้นะครับถ้าหากว่า ไม่เคารบในเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยนะครับก็ทําอภิสมาจารย์ให้บริบูรณ์ไม่ได้เมื่อทําอภิสมาจารย์ให้บริบูรณ์ไม่ได้นะครับปาติโมก็ไม่บริบูรณ์ถ้า ป, ปาติโมกไม่บริบูรณ์เป็นต้นนะครับคุณธรรมหลังหลังจากนั้นอีกก็จะไม่บริบูรณ์ตามไปด้วยนะครับนะดูในอังคุตระนิการนะครับ อันหนเจตนาของภิกษุผู้พิจารณาเห็นแจ้งซึ่งจักสุโสตะคานาเฉีวหากายมณนะคือใจเนี่ยนะครับโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยวิปัสนามัตตตามที่กล่าวไว้ในคำภีร์ปฏิสัมพิทานะครับเจตนาของผู้พิจารณาอตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะครับโดยความไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะครับอันนี้ก็เป็น ภาวนาใหม่นะครับบุญบุญที่สำเร็จด้วยการภาวนาหรือว่าเจตนาของพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโพธะะและธรรมรมนะครับโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตา น, น, นะครับอันนี้ชื่อว่าภาวนาใหม่เหมือนกันหรือพิจารณาจากขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตา นะนี่ก็ภาวนาใหม่หรือว่าจาักขูสัมผัสโสตค า, านะชิวหากายมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าพิจารณาจักขูสัมผัสชาวเวทนาคือเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ชื่อว่าภาวนาหรือว่าพิจารณารู ป, ปรสัญญานะครับสัญญา6กนะรูปรสัญญาสัทธาสัญญา คันทาสัญญารัษาสัญญาโพธภาษสัญญาแล้วก็ธรรมสัญญาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี้ก็ชื่อว่าบุญญกักษียริยาวัตถุที่เป็นภาวนานะครับสําเร็จด้วยภาวนาขอเกิดครับในตรงสัญญาสัญญาเนี่ยรูปประสัญญาเป็นต้นในในช่วยขยายให้ฟังหน่อยครับครับก็คือสัญญาที่เป็นไปในรูปนะความสําคัญหมายในรูป สัญญาเนี่ยบางทีก็แปลว่าสําคัญหมายหรือจําในสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นนะนะสัญญาที่แปรว่าสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้เป็นสัญญาเช่นสัทธสัญญาก็คือสัญญาในเสียงก็เช่นเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงอะไรพวกนี้นะสัญญาที่เป็นไปกับเสียงทุ้มเสียงแหลมเป็นต้นอ่ะสัญญาลักษณะนี้นะครับเรียกว่าสัทธสัญญานะเช่นกลิ่นเนี่ยนะครับพวกแยกเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะในกามาแยกกลิ่นอันนั้นด้วยอนุปภาพของ สัญญาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาสัญญาทั้งหลายเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเน้นตัวสัญญานะครับไม่ได้เน้นตัวอารมณ์แล้วยังท ร, ร, รมสัญญาก็ธรรมสัญญาก็จําหมายในเรื่องราวต่างๆได้นะครับสําคัญหมายที่เป็นไปกับเรื่องราวต่างๆแต่สัญญานี่นะครับ อ, อย่านึกว่ามันเกิดโดดๆนะมันไม่ได้เกิดโดดๆนะครับ มันเกิดพร้อมกับเจตนาด้วยเกิดพร้อมกับวิตกด้วยเกิดพร้อมกับธรรมะอย่างอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าตัวสัญญาก็คือเน้นไปที่ความสำคัญไม้นะครับทีนี้ต่อไปนะพิจารณาเขามีข้อความที่ไปยานะครับคือรูปประสัญญาหรือว่าแม้กระทั่งรูปประขันนะครับถ้าตามอารมณ์นะตามหัวข้อไปยานนี่จะต้อง จะต้องเอาสัญญาแล้วก็เอาเจตนาด้วยนะครับเจตนา6นะครับเจตนาก็คือรูปประสันเจตนาเป็นต้นนะครับแล้วก็แม้ทั้งตันหา6วิตก6วิจารห6าธาตุขัน5นะครับ อายตนะสิบสองทาส8เป็นต้นจนถึงปฏิจจสมุปบาทนับตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปไปจนถึงชรามรณะนี่นะครับพิจารณาชรามรณะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะสิน้นไปเป็นทุกข์ารณะกลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเป็นต้นนะครับตามแนวสัมมสนญ า, า น, นะครับสัมมาสนญาณในปฏิสัมพิธามักอย่างนี้ชื่อว่าบุญญากริยาวัตถุที่สาเร็จด้วยภาวนานะครับหรือ ชานาเจตนานะครับเจตนาที่เป็นไปแล้วในอารมณ์สามสิบแปดประการมีปฐวีกสินเป็นต้นนะครับคือการเจริญสมถะทั้งหมดนะนะการเจริญสมถะทั้งหลายการเจริญสมถะทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าภาวนาทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการเจริญเมตตาเป็นต้นนะครับหรือเจตนาที่เป็นไปแล้วด้วยการด้วยสา ม, มารถแห่งการสั่งสมและมนสิยการเป็นต้น ในบอ่อเกิดแห่งการงานบอ่อเกิดแห่งศิลปะฐานะเป็นที่ตั้งแห่งวิชาที่ไม่มีโทษอันใดพวกผู้ยังเจตนาทั้งหมดนั้นให้เจริญด้วยบุญญกิริยานี้ฉะนั้นจึงชื่อว่าบุญญากริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาตามนัยยะที่กล่าวแล้วเช่นนะครับการสาธยายพระสูตรการทรงจําพระสูตรเป็นต้นเนี่ยนะการฟังพระสูตรคำว่าสูตรในที่นี้คือหมายว่าฟังคําสอนการสาธยายการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแม้ที่เราฟังฟังนี้ก็ประเภทภาวนานะครับ ประเภทบุญยากิริยววัตถุประเภทภาวนาใหม่นะครับก็ในบรรดากรรมทั้งสามนี้คือทั้งทานศีลภาวนานี่นะครับเมื่อจะกระทำกรรมอย่างหนึ่งหนึ่งด้วยกายคือจะจะสงเคราะห์ว่าทานบางอย่างก็เป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมศีลบางอย่างก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมภาวนาก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะครับ บันดาลกรรมทั้งสามนี้เมื่อกระทากรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยกายจําเดิมแต่ส่วนเบื้องต้นตามสมควรกรรมเป็นกายกรรมนะทำด้วยกายอะนะเช่นให้ทานด้วยกายปรารบการสมาทานศีลด้วยกายเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเปล่งวาจาอันเป็นประโยชน์แก่กรรมนั้นกรรมเป็นวจีกรรมคือเปล่งคําพูดออกมาเมื่อไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้หวานไหวคิดด้วยใจอย่างเดียวกรรมนั้นเป็นมโนกรรมะนะ คือถ้าคิดแต่ขังใจอย่างเดียวก็เป็นมโนกรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ผู้ให้ข้าวเป็นต้นนะครับคือให้ทานโดยคิดว่าเราจะให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นหรือว่าโดยระลึกถึงทานบารมีก็ดีบุญญกิริยาวัตถุเป็นทานอเมยเนี่ยนะปารลบการให้เนี่ยนะรลระลึกถึงทานะบารมีนะครับเมื่อให้ทานโดยดํารงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติบุญญากิริยาวัตถุนั้นเป็นศีลอเมยนะครับคือเป็นศีลบารมีนะครับ เมื่อให้ทานโดยเริ่มตั้งการพิจารณาโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปโดยกรรมบุญญกิริยาวัตถุนั้นเป็นภาวนาไหมคือปา ร, รบความสิน้นความเสื่อมในขณะที่ให้นะนามรรมา ท, ที่เป็นไปในการให้ก็มีความสิน้นความเสื่อมนามรรมาของผู้รับเป็นต้นก็มีความสิน้นความเสื่อมรูปธรรม ท, ทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับลักษณะนั้นก็เป็นภาวนาเพราะฉะนั้นการให้อย่างเดียวเนี่ยนะยกให้เฉยๆเนี่ยนะเป็นได้ทั้งทานก็ได้เป็นศีลก็ได้ เป็นภาวนาก็ได้การยกน้ําให้เอายกตัวอย่างน ะ, ะคนให้น้ำเนี่ยนะครับถ้าให้ทานเพื่อจะบูชาเพื่อจะสงเคราะห์อันนั้นก็เป็นทานแต่ถ้าปารพวัดปฏิบัติให้ให้น้ําถวายน้ําอันนั้นเป็นศีล น, นะครับแล้วก็ปารพความสิน้นความเสื่อมในขณะยกให้ก็เป็นภาวนานะในกิริยาเดียวกันนั้นเป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนาอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็อยู่ที่เจตนานะครั บ, บ ค, ครับ การให้ทานโดยการปารลบนามรูปเนี่ยอยากจะให้ท่านทัจารย์ช่วยยกตัวอย่างช่วยขยายนะครับก็อาจจะปารลบในลักษณะเจตนาที่ที่ให้เนี่ยนะครับก็เป็นนามขันนะครับเช่นเจตนาที่ยกข้าวของเครื่องใช้ให้นะเจตนาอนั้นเป็นนามธรรมนะครับหรือว่าไออาการที่ยกให้นะครับมือจิตชาวายโยที่แผลในการจับข้าวของเป็นต้นแม้กระทั่งข้าวของอันนั้นก็เป็น รูปธรรมนะครับผู้รับนะก็เป็นนามธรรมและรูปประธรรมนะครับส่วนมือเป็นต้นที่เขายื่นมาพวกของนะพวกมือทั้งหลายก็เป็นรูปธรรมเจตนาที่เป็นเหตุให้มือเหล่านั้นยื่นออกมารับก็เป็นนามธรรมนี้พอได้รูปธรรมนามธรรมอย่างนี้ก็ปารภปัจจัยว่าเออเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับแต่ละอย่างนี่เป็นปัจจัยอะไรการให้การรับเหล่าเนี้เป็นปัจจัยแห่งอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ แล้วก็ปรับลถึงความสิ้นไปเพราะจากไม่มีมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นเหล่านี้แล้วก็สิ้นไปนะครับเป็นไปตามอํานาจของปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนี้ก็เป็นภาวนาไม่นะครับเพราะฉะนั้นกิริยาอาการเดียวนั้นนะครับเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นภาวนาก็ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของทานศีลและภาวนาแต่ว่าเมื่อให้ทานแล้วการให้ทานก็ยังคงเป็นการให้ทานอยู่เหมือนเดิ อ๋อไม่ครับถ้าปรับเปลี่ยนศีลก็เป็นศีลไปยกตัวอย่างนะครับอย่างเราให้ทานกับครูบาอาจารย์เอเอา็นี้นะเรามีน้ําขวดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีอาจารย์องค์หนึ่งเราก็คิดว่าเออเนี่ยนะเออของนี้มันประณีต ด, ดีเอาไปถวายอาจารย์ดีกว่าก็คิดแค่นี้แหละแล้วเอาไปให้ท่านนะครับอันนี้เป็นทานเพราะให้เพื่อจะบูชาเพื่ออะไรนะอันนี้เป็นทาน แต่ถ้าบอกว่าเออนี่นะเป็นวัดของเราที่เราจะต้องประพฤตินะครับไออาการยกให้นั่นแหละเป็นศีลไปนะครับขณะที่ยกให้นี่นะไม่ได้คิดเป็นทานเป็นศีลอย่างที่ว่าหรอกครับเจริญวิปั ส, สนาเป็นต้นในขณะที่ให้นะพิจารณา น, นา ม, มาขันรู ป, ปรขันทั้งหลายพร้อมทั้งปัจจัยความสิน้นความเสื่อมทั้งหลายนั่นแหละครับอันนั้นก็เป็นภาวนาใหมา่เพราะฉะนั้นทานก็ไม่ใช่ทานนะครับถ้าเป็นภาวนาก็เป็นภาวนาเลยผลก็จะเป็นผลของภาวนาไป ถ้าเป็นศีลก็เป็นผลของศีลไปถ้าปารลบทานก็เป็นผลของทานไปนะครับแต่อาจจะสลับคระเคล้ากันไปก็ได้นะครับถ้าหากว่าคนที่ฉลาดพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เจตนานะครับเอาเจตนาเป็นเกณฑ์นะครับหรือว่าเอาความเข้าใจหรือเอาการปารภเป็นประมาณว่าปารภให้เป็นไปกับอะไรนะครับอย่าลืมนะถ้าปารภเป็นวัดทั้งหลายเนี่ยเป็นศีลปารภเป็นวัดเนี่ยเป็นศีล เอยังขอาการอย่างคนที่เขาจะไปทําบุญเนี่ยเขาก็ทําอาหารจัดแจงอาหารอะไรเนี่ยเมื่อถึงวันพระเขาก็จัดแจงอาหารเขาตั้งใจจะไปทําบุญเพื่อถวายเป็นทานอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุพเพเจตนาแล้วก็ขณะทําอะไรเนี่ยครับทีนี้ถ้าเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจาเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาด้วยเวลาเขาไปเขาก็มีการเหยียดคู่ก้มเงยเหยียดคู่มีสติทําให้ชัญยะในการอนึก ที่เป็นไปในทันนองของวิปัสสนาเขาก็จะได้ทั้งทานทั้งภาวนาด้วยเลยไหมก็ได้ได้ทั้งทานและภาวนาสลับกันไปนะครับเพราะว่าอยู่ที่ความเข้าใจอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่ต่อไปนะครับว่าบุญญากิริยวัตโนี่นะครับก็มีอย่างอื่นอีกเจดนะครับคือบุญญากิริยวัตโทที่สหรัชดด้วยอัิญญาณใหม่นะครับคือความยำเกรงนะครับความนอบน้อมเนี่ยนะ ที่สหรัคอัด้วยการขวนขวายคือว ย, ยาวัจไมหรือแม้กระทั่งปฏิทานนามัยด้วยการอุทิศส่วนบุญนะครับแล้วก็ปฏิทานุโมทนาไมก็คือการอนุโมทนาบุญหรือว่าบุญยกักเรียวัตถุที่สําเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือที่สําเร็จด้วยการฟังธรรมหรือด้วยการทําความเห็นให้ตรงนะครับก็แม้การถึงทรัตนะตรายว่าเป็นสารณะหรือว่าสารณคมเนี่ยนะ การถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะก็ย่อมสงเคราะห์เข้าด้วยการทําความเห็นให้ตรงนั่นเองส่วนนี้ก็จะมีในอัตถกถาปุตตะสูตรข้างหน้าต่อไปบรรดาบุญญกกริยาวัตถุ7อย่างนั้นบุญญากริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยความอ่อนน้อมพึงทราบด้วยสา ม, มารถแห่งการเห็นภิกษุผู้บวชก่อนกว่านะครับผู้บวชก่อนกว่าแล้วก็ต้อนรับบาทและจีวรกราบไหว้และหลีกทางให้เป็นต้นอันนี้ชื่อว่าอ่อนน้อมนะครับ หมายเอาผู้ที่มีอายุบวชก่อนกว่านะครับบวชกว่าชั่วโมงหรือ2อชั่วโมงก็ตามแต่เลครับหรือบวชเป็นพรรษาก็ตามแต่ก็ต้อนรับรับบาทให้จีวรหลีกทางให้เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าบุญญากริยาวัตถุสหรต ด, ด้วยความขวนขวายเช่นด้วยสา ม, มารถแห่งการทําวัดปฏิบัติแก่ภิกษุผู้มีอายุพรรษามากกว่านะครับ จ, จะบวชก่อนกว่าด้วยสา ม, มารถแห่งการที่เห็นภิกษุนั้นเข้าบ้านเพื่อบินทบาต ก็รับบาดของท่านแล้วบรรจุภิกษาแม้ในบ้านให้เรียบร้อยนําเข้าไปถวายคือไปช่วยเหลือบริการท่านหมดนะครับเช่นรับบาตรับจีวร อ, อะไรพวกนี้นะแล้วด้วยสามารถแห่งการรีบนําเอาบาดมาให้เป็นต้นโดยที่ได้ยินคําสั่งว่าจงนําเอาบาดของพิสูจน์ทั้งหลายมาคือการช่วยบริการทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับการช่วยบริการทั้งหลายแหละเรียกว่าบุญญักิริยาวัตถุที่สําเร็จได้ด้วยการขวนขวายส่วนบุญญกิริยาวัตถุที่ เป็นไปกับการพลอยอนุโมทนานะครับก็อย่างนั้นนะครับคือเห็นเขาเจริญบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับก็อนุโมทนายินดีไปกับเขาบันเทิงไปในบุญยะกิริยาเหล่า น, น, นั้นที่คนอื่นกระทำอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาใหม่เพึงทราบด้วยการสามารถแห่งการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นให้แล้วหรือบุญที่ผู้อื่นทำแล้วทั้งสิ้นว่าสาธุ นะครับนะหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะบอกเราอ่ะนะให้อนุโมทนาด้วยนะเราก็อนุโมทนาเนี่อย่างหนึ่งหรือว่าเขาไม่ต้องบอกแล้วครับเห็นก็ทําดีกว่า อ, อนุโมทนาเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อที่พิสูจน์ไม่ปรารถนาะความช่ชําชองในธรรมะเพื่อตนแสดงธรรมเพื่อผู้อื่นด้วยอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยความเกื้อกูลชื่อว่าบุญญากริยาวัตถุสําเร็จด้วยการแสดงธรรมนะครับไม่ได้ว่าที่แสดงเนี่ยไม่ได้มุ่งความชํานาญแก่ตัวเองนะไม่ใช่ยืมคนมาฟังหน่อยว่างั้นเถอะ ไม่ใช่แบบนี้แต่แสดงเพื่อหวังประโยชน์หวังความสุขแก่ผู้ฟังทั้งหลายนี่นะครับเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเนี่ยนะครับเรียกว่าบุญยักเกียาตวัตถุที่สําเร็จด้วยการแสดงธรรมแต่ว่าการที่ภิกษุรูปหนึ่งตั้งความปรารถนาไว้ว่าชนทั้งหลายจักรู้ว่าเราเป็นธรรมกถึกด้วยวิธีอย่างนี้แล้วอาศัยลาบสการะและการยกย่องแสดงธรรมไม่มีผลมากเลยนะครับคือตั้งจิตไว้ผิดปรารถนาลามกอะนะอนนว่าเออเนี่ยนะ ถ้าเราแสดงทํางานนี้เนี่ยนะต่อไปกฐินพระป่าเป็นต้นเนี่ยสบายมากลบบนั้นเถอะพวกโยงพวกนี้แหละจะมีศรัทธาทําให้เราหมดละนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีผลมากนะครับบุญที่เกิดจากการแสดงคำนั้นนั้นหรือว่าชื่อเสียงของเราก็ได้จักระยกระจายไปไกลใครๆก็รู้จักเราอะเรานี่ก็เป็นนักแสดงคำนะนะเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่มีผลมากอะไรนะครับคือคิดเป็นอื่นเว้นไว้แต่ว่าเออเนี่ยนะความเป็นธรรมดีของพระธรรม ความเป็นธรรมดีของพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อชนทั้งหลายรู้ธรรมนี้แล้วจะประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอันนี้จึงจะมีผลมากนะครับถ้าปารลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําคําเดียวกันนี้บางทีก็อยู่ที่เจตนานะครับเนี่ยนะในการแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่บุญก็ไม่ได้เท่ากันเนื่องจากเจตนาและความปรารถนาเป็นต้นในขณะที่กล่าวธรรมในขณะที่แสดงธรรมหรือว่าก่อนที่จะแสดงเนี่ยปารลบอะไรเมื่อแสดงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ตั้งจิตเอาไว้อย่างไรนะครับการที่คนฟังทมด้วยจิตอ่อนโยนผู้มุ่งแพ่ประโยชน์เกื้อกูลมีโยนิสโสมนัสิการไปว่านี้เป็นอุบายให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแน่นอนนี้ชื่อว่าบุญยักเกียรวัตถุที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมนะครับคือหมายว่าฟังเออนี่นะที่เราฟังเนี่ยนะเป็นวิธีการที่เราฟังเองก็จะได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจก็ได้ช่วยสงเคราะห์คนอื่นอีกต่อไปลักษณะนี้นะครับจึงจะเรียกว่าบุญที่เกิดจากการฟังจริงๆแต่การที่คนคนหนึ่งฟังทำด้วยคิดว่าชนทั้งหลายจักรู้จากเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาด้วยวิธีนี้ไม่มีผลมากเลยนะครับฟังโชว์นะโอ้โหคนนี้เป็นคนมีศรัทธาจริงๆอะไรเ ง, งี้นนะให้คนอื่นเขาเที่ยวชมอันนี้ไม่มีผลมากนะครับ ส่วนที่ถิวชุกกรรมก็คือการที่ทิฐิดําเนินไปตรงชื่อว่าความเห็นตรงชื่อว่าทิฐิชุกรรมคําว่าทิฐิชุกตะนังนี้เป็นชื่อของสัมมาทัศนะที่เป็นไปแล้วโดยในเมียที่ว่าทานที่ให้แล้วมีผลนะครับคือสัมมาทิฐิมีวัตถุสิบนะครับที่บอกว่าทานให้แล้วมีผล การบูชามีผลการต้อนรับการเชื่อเชิญมีผลการทำความดีความชั่วกับพ่อแม่มีผลการรักษาศีลมีผลนะครับสัตว์โอปปาติกานี่มีอยู่จริงนะครับเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนี้ก็เป็นที่ถูชุกกรรมนะครับตารบถึงกรรมและผลของกรรมนั่นเองเพราะว่าความเห็นตรงนี้ถึงจะเป็นยานิวิปยุทธเบื้องต้นหรือตอน ห, ออนหลังแต่ในเวลาทำความเห็นให้ตรงแล้วก็เป็นญานสัมปยุทธนั่นเอง คือที่ถือชุกกรรมเนี่ยนะครับองทำได้แก่ปัญญาดังนั้นปัญญาอันนี้เนี่ยนะครับที่ปารลเป็นไปในสิอย่างเนี่ยนะครับอันนี้ลักษณะของยาณสัมปยุตแต่ว่าก่อนที่จะคิดแบบนี้อาจจะเป็นยาณวิปยุตก็ได้หลังจากนั้นจะเป็นยาณวิปยุตก็ได้แต่มุ่งเอาเจตนาที่ที่ปารลบกรร ม, มสกตาเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นที่ถือชุกกรรมเป็นบุญเหมือนกันนะครับแต่อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าทัศนะ คือความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการรู้แจ้งและการรู้ชัดนะนะคนที่รู้แจ้งรู้ชัดเนี่ยนะหรือว่าวิญญาณที่เป็นกุศลหนึ่งกรร ม, มัสการยานเป็นต้นหนึ่งเป็นสัมมาทัศนะบรรณาธรรมสามอย่างมีทัศนะเป็นต้นนั้นแม้ในเมื่อยานยังไม่เกิดขึ้นก็มีการสงเคราะห์เหตุที่สมควรแก่เหตุเป็นเครื่องอนุสร์ถึงบุญที่ตนทำไ้แล้วเข้ากับวิญญาณที่เป็นกุศลได้ มีการส่งเคราะห์เข้ากับกรรมมสการยานคือความเห็นชอบตามคันลองของกรรมได้คือหมายความว่ามองเห็นความเป็นไปของกรรมอย่างตลอดสายนะครับแล้วก็ทำกุศลนั้นๆ น, น, นะครับแต่ความเห็นตรงนอกนี้มีการกําหนดธรรมมาทั้งปวงเป็นลักษณะด้วยว่าเมื่อบุญอย่างใดอย่างหนึ่งบุญนั้นก็จะมีผลมากเพราะเหตุที่ที่ถี่ทั้งหลายตรงนั่นเองนะบุญยกิริยาวัตถุ10ข้อต้นน่ะนะครับจะมีผลมากอั น, นิสง์มากก็อยู่ที่มีปัญญาประกอบหรือไม่นะครับ ถ้ามีปัญญาประกอบอย่างถึงเหตุถึงผลของบุญนั้นๆบุญนั้นๆที่ทําก็จะมีผลมากนะครับเช่นคนให้ทานแล้วก็มีความรู้ในกรรมมัศกาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ไปการให้นั้นจะเป็นยานสัมปยุตทันทีเลยนะครับนจะมีผลมหาศาลนะครับ แต่ว่ามีการสงเคราะห์บุญญากริยาวัตถุ7อย่างเหล่านี้เข้ากับบุญญากริยาวัตถุสามอย่างข้างต้นนะครับบุญญากริยาวัตถุเจอย่างเนี่ยนะมีการอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็สงเคราะห์ลงทานศีลภาวนาได้นะครับว่าในเจอย่างนั้นความอ่อนน้อมนะครับอบปจายนะไม่เนี่ยนะกับความพวนควายว ย, ยาวัจจะไม่เนี่ยสงเคราะห์เข้าในศีลละไมการเพิ่มให้ส่วนบุญเนี่ยการอุทิศส่วนกุศลนะครับ การให้บุญคนอื่นเนี่ยนะหรือพลอยอนุมโมทนาบุญของคนอื่นก็สงเคราะห์เข้ากับทานนามัยการแสดงธรรมการฟังธรรมสงเคราะห์เข้าในภาวนาไม่ส่วนความเห็นตรงสงเคราะห์ตาเป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนานะครับที่ถูชุกรรมเนี่ยเป็นไปกับทานก็ได้เป็นไปกับศีลก็ได้เป็นไปกับภาวนาก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ให้ทานแล้วก็ปาราบกรรมมศกตาก็ได้คนที่รักษาศีล ปารภกรร ม, มสศกตาก็ได้คนที่เจริญภาวนาก็ปารภกรรมมศกตาก็ได้บางคนเนี่ยนะครับเจริญเมตตาแต่ไม่มีกรรมมศกตาก็ได้นะครับคิดให้คนอื่นเขามีความสุขเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเจตานาเนี่ยมีผลยังไงเป็นต้นในการเจริญเมตตาเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยก็เป็นก็ไม่มีที่ถูกชูกกรรมก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เน้นการเจริญแบบมีความเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระพภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายบุญญากริยาวัตถุเหล่านี้มีสามอย่างสามอย่างเป็นชฉนคือบุญญากริยาวัตถุสาเร็จด้วยทานด้วยศีลและด้วยภาวนาก็ในอธิการนี้บุญญากริยาวัตถุทั้งสามอย่างมีการเป็นไปในอํานาจแห่งกุศลเจตนาที่เป็นกามาวจร8ดวงนะครับสรุปเป็นมหากุศลทั้งแปดนะครับทั้งทั้งทานศีลและภาวนา เอเธนี้ถ้าตั้งคําถามว่าอ้าวภาวนาเนี่ยนะเป็นญาณวิปปยุทธได้หรอือการเจริญภาวนาน่าจะสัมปยุทธทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยทั้งสมถะและวิปัสนาเขาก็อุปมาให้เห็นว่าอุปมาเสมือนหนึ่งว่าเมื่อบุคคลแสดงธ ร, รรมะที่คล่องแคล่วก็ไม่คํานึงถึงอนุสนิทเลยธรรมะบางหมวดก็ดําเนินไปได้ฉันใดยกตัวอย่างนะคนที่สวดมนต์คล่องคลงนะครับไม่ต้องนึกว่าขึ้นบทไหนเป็นบทไหนก็สวดไปเรื่อยๆได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะครับ ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดเนื้อหาในเรื่องนั้นเลยก็ว่าไปได้เลยลักษณะนี้ฉันหลายคนที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาภาวนาที่ช่ำชองนะครับมนัสิการด้วยจิตที่เป็นญาณวิปยุตก็เป็นไปได้ในระหว่างในระหว่างเช่นคนที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างชนานาญแล้วนะครับตอนหลังก็ญาณวิปยุตก็สามารถพิจารณาไตรลักษณ์ได้นะครับ หรือเมตตาภาวนาเนี่ยนะถ้าเจริญเป็นไปอย่างช่ำชองเนี่ยนะครับถึงไม่ต้องประกอบด้วยปัญญาก็มีเมตตาต่อไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับส่วนถ้าเป็นระดับชานทั้งหลายก็เป็นมหคัตะนะครับต้องเป็นมหคตแต่ว่ า, าเบื้องแรกแรกแร ก, แรกเริ่มเนี่ยนะเป็นได้ทั้งแปดดวงนะครับทานศีลภาวนาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ข้อความในปุญญกิริยาวัตถุสูตรนะครับ